สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะเรามาเริ่มต้นวันกันกันกบรายการสันสนีสนทนาสำหรับคนที่ตื่นตี5นะคะก็พบกันวันละครึ่งชั่วโมงกับดิฉันสันสนีนาคพง์ในรายการนี้ออกอากาศที่ FM 106และวิทยุสถา่าขอภัยคะสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเริ่มต้นกันที่ให้ท่านฟังนั้นได้ทาจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้เกิดสติอันจะยังประโยชน์ให ในเรื่อง ต, อต่อไปไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการเป็นบันไดก้าวเข้าไปใกล้กับการสู่วิมุตต์นะคะซึ่งมีพระอาจารย์พระมาร์คชาคาวโรค่ะแห่งวันาประพงลำลูกกาคลองสิจะมาเป็นผู้ที่แนะนำพระสูตรของพระพุทธองค์ตลอดจนแนะนำการทำสมาธิด้วยน้ัมสการกับท่านค่ะเจริญพรวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติทาความเพียรด้วยการนั่งสมาธิกันต่อ และก็จะอ่านประสูดเรื่องของการที่เราละความเพลินสามารถทำให้เรามีจิตที่หลุดพ้นได้ให้ฟังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยก็ให้เรานั่งสมาธิด้วยการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหากจิตหลุดไปคิดในความคิดอดีตในอนาคตความสุขความทุกข์ ก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียเรียกว่าละความเพลินแล้วก็มีสติกลับมารู้อยู่กับลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนถึงการที่เราสามารถทําจิตให้หลุดพ้นด้วยการละความเพลินไว้โดยท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือการเห็นอยู่โดยถูกต้องของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งความพอใจเพราะมีความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลิน และความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีของรูปเสียงกลิ่นรสโพภพภะและธรรมารมณ์ก็ตรัสอย่างเดียวกันว่าเมื่อเราตามเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพภพภะและธรรมารมณ์อันไม่เที่ยงนั่นแหลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสมาธิคือการเห็นอยู่โดยถูกต้องของเธอนั้น เมื you, ong, be Because, Because, ่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพลนแล้วด้วยดีดังนี้ในอีกวาระหนึ่งท่านได้ตัดสอนภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิกษุทั้งหลายภิกษุใดมีความเชื่อมีจิตน้อมไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคล น, นี้เราเรียกว่าเป็นศัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตานิยามคือระบบแห่งความถูกต้อง อย่างลงสู่สรร ป, ป, ปุริสภูมิคือภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นปุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลดังนี้ เพราะฉะนั้นการที่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเป็นปกติชื่อว่าเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องแห่งการเป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือความเป็นระโสดาบันการที่เราเห็นอย่างนี้ประพูดเจ้าได้ว่าเป็นสัตยานุสารีเป็นโซดาปฏิมาการดําเนินเข้าไปสู่ความเป็นโซดาปฏิผลสู่ความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นแล้วก็วันนี้เราก็ ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอริยบทแล้วก็มาปฏิบัติกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้กลับเรียนถามท่านต่อ น, น็ตนึ่งคะ่ะท่านมาคะ่ะหมายความว่าเราเร า, เราท่านทาน่ทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าได้เข้าใจคําของพระพุทธองค์และเอาไปพิจารณาให้เห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ ล้วนเป็นของไม่เที่ยงนี่ยเป็นการเดินเข้าใกล้ไปสู่การเป็นพระอริยะบุคคลได้เลยหรอคะถูกต้องใช่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นศรัทธานุสลีมีศรัทธาน้อมจิตไปเชื่อว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงจําเป็นจะต้องจบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรียังไงไหมคะก็ไม่จําเป็นเลยใครก็ได้เลยใช่ไหมคะใช่ทุกค่ะก็เป็นความใจชื้นของพวกเรานะคะว่าถ้าปฏิบัติถูกก็มีโอกาสเหมือนกัน ที่จะเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นใช่ถูกต้องวันนี้ก็ต้องนามาส ก, การขอบคุณท่านมากไว้ในโอกาสนี้นะคะเจริญพรท่านฝั่งที่เคารพคันและนี่ก็เป็นการนําการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้เราเรียนรู้ประสูตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันไปในคราวเดียวโดยพระมารชาคาวโรแห่งวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิซึ่งท่านก็นําเอาหนังสือพุทธวจนะอานาปานาสติโดยพระตถาคต ที่จะรวบรวมเอาพระสูตรหรือว่าพุทธวจนะของพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอนาปานสติการที่จะปฏิบัติไปสู่การวิมุติหลุดพ้นได้เนี่ย น, นะคะรวมถึง25พระสูตรอ๋อถ้าบวกรวมรวมกันแล้วธรรมะแวดล้อมด้วยก็30กว่าพระสูตรเลยนะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆที่ล้ำค่า จะได้เดินกันถูกต้องตรงทางตั้งแต่แรกหรือว่าจะหลงทางไปทางอื่นก็กลับมาทางพระพุทธเจ้าโดยหนังสือเล่มนี้ที่แจกกันฟรีนะคะฉบับ1ต่อ1วันที่หมายเลข 02-269-006 สสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 เนี่แหละคะ่ะอย่าลืมเขียนรายการสันมสมีสนทนาด้วยนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์ไพบุญคะ่ะ